ช่วงที่สองเป็นช่วงของความเหน็ดเหนื่อยตรวจการบ้านนี้ใช้แรงเยอะแรงเยอะเหมือนจับลิงใส่กระดงะ้งครูบาจารย์แต่ก่อนท่านสบายว่าหลวงพ่อวันวันหนึ่งเนี้ยมีคนมาถามกรรมฐานไม่มากอะ่ะคนส่วนใหญ่เข้าวัดเน้ยมาทําบุญอย่างหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านท่านสอนเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราวันนึง ไหลวงเลยที่เวลาเราติดขัดนะไม่ทันจะอ้าปากถามท่านเลยโดนท่านบอกก่อนนะท่านเฉงเอาก่อนนั้นเราไปหาครูบาอาจารย์นะเราไปด้วยใจที่อ่อ น, นจริงอยากได้ธรรมะไปด้วยความอยากได้ธรรมะเลยท่านบอกอะไรมานะเราเอามาพักเพียรทาบางอย่างทาทั้งหลายปีกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ท่านบอกลำบากมากเลย อย่างหลวงปู่ดุลนะไปหาท่านครั้งสุดท้ายสามวันก่อนท่านมารณภาพท่านเทศเทศมาตั้งแต่บ่ายพอค่ำแนละ้วทุ่มหนึ่งกว่ากวา่าท่านหอบเลยเหนื่อยอีกไม่กี่วันท่านก็มรณภาพนะท่านภาพเพียรมากเลยโอ้เห็นแล้วสงสารท่านจับใจบอ ก, ท, บอกท่านบอกผมไปละหลวงปู่เหนื่อยล้วท่านบอกอย่ากลับเหลอยังกลับไม่ได้จําไว้นะ พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านบอกเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับจะจ่าจำไว้ท่านบอกเออจำไว้นะนี่กรรมฐานนี้ท่านให้นะเราใช้เวลานานมากเลยนานมากเลยในการที่จะเข้าใจสิ่งที่ท่านบอกเราไปหาท่านนะเราไม่เคยมีอะไรไปตไวายท่านมากมายเลยไม่มีเะ อย่างมากก็มีตังค์อยู่ร0อยบาทอะไรเงี้ยจนมากเลยนะข้าราชการเพิ่งเริ่มทำงานไม่กี่ปีบ้านก็ยังส่งอยู่อะไรเงี้ยไปหาท่านครูบาอาจารย์แต่ละวงคแต่ละองค์นะโอ้เมตตาสอนเราประคบประงมเราอย่างหลวงปูดเทศนะเข้าไปแนละ้วท่านจะสั่งเลยให้พระไปจัดกุฏิให้อยู่ให้ไปอยู่โซนพระลึกๆนะสั่งเนี้ยอยู่ในป่านะ พระประงมงเราเราไม่ได้ตอบแทนด้วยวัตถุสิ่งของอะไรกับท่านเลยเราเอาหัวใจที่ใยธรรมะนี่แนหะเข้าไปถวายท่านเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรียนด้วยกันเอาใจไปแรกเลยแรกใจกับท่านอ่อนโยนกับท่านท่านสอนอะไรเราทํานะพักเพียรท่านไม่ได้หวังอะไรกับเรา ก็มีบ้างนะบางคนมันก็กางเคี่ยวกลางเล็บไปหาท่านก็มีบางคนไปเทศให้ท่านฟังยังมีเลยมีบ่อยๆะหลวงปู่ดูลก็เจอนะหลวงพ่อชาก็เคยเจอคนไปนั่งเทศให้ท่านฟังท่านก็ฟังท่านว่างงานถ้าหลวงพ่อไม่ว่างไม่ฟังอ่ะไม่มีเวลาฟังเทศให้ท่านฟังท่านก็ฟังไม่ว่าอะไรพวกนี้ได้อะไรกลับไปได้ความหยิงพยองกลับไปไม่ได้ธรรมะอะไรไปหรอก ยังถ้ามาด้วยหัวใจที่กลางเคี้ยวกลางเล็บก็ไม่ได้อะไรกลับไปมาด้วยหัวใจที่ใยธรรมะนะเอาใจมาแลกกันครูบาอาจารย์ก็ให้ใจกับเรานะทุ่มเทเมตตาปราณีโอ้ท่านรู้แล้วท่านอยากบอกเราให้ใจเราเราก็ให้ใจกับท่านนะอ่อนโยนรับธรรมะมาอ้าเรามาแลกใจกันนะต่อไปนี้ <c oughs> บางคนบอกทำไมหลวงพ่อสอนประหลาดอย่างนั้นวะ ไม่ปลาดหรอกมันโง่เองไม่เคยไปเรียนจากครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนน่ะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อมาด้วยวิธีอย่างนี้แหละบางคนบอกวิธีอย่างนี้เขาเอาไว้สอนคนวงในหลวงพ่อไม่ใช่คนวงในของครูบาอาจารย์เราเป็นคนโ no นเนมเวลาเราไปหาครูบาอาจารย์แล้วพวกเราทุกคนนีน่ก็เสมอภาคกันหมดนะ ไม่มีคนนี้ใกล้ชิดคนนี้ไม่ใกล้ชิดหลวงพ่อสอนให้อย่างเดียวกันนะคนไหนจนคนไหนรวยนะสอนให้เหมือนเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะรับได้แค่ไหนนะเอาใจมาแลกกันนะอย่าดือ้ออยบยิงพยองลาพองภาวนาไม่ไหวหรอกน ะ, ะว่าไปคนอยู่วัดคนที่หนึ่งกราบนมัสการครับออตอนปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับก็จะรู้แบบ แตแต่ะครับแล้วก็บางทีรู้เหมือนไม่รู้ครับแต่เวลาทําในรูปแบบแล้วมันคอยแต่จะเข้าไปประคองครับมันเพ่งมันประคองหรือบางทีถล่มยงไปรู้ครับดีที่พูดมาใช้ได้นะครับประคองรู้ว่าประคองถล่มรู้ว่าถล่มรู้ซื่อๆไปครับเห็นไ้มใจประคองเราห้ามมันไม่ได้นะมันเคยชินที่ประคองของคุณมันติดสมถะมาก่อนนีจยประคองมันก็ประคองอยีกที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะับทักเพียนไป หลวงพ่อครับไม่ตั้งมั่นดูออกไหมขนณะนี้จิตไม่ถึงฐานมันครับจิตไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกดูออกไหมอ๋อใช่ครับตรงนี้ไม่เอานะตรงนี้ไม่เอาครับนี่คือเรื่องเอาใจมาแลกกันนะตัวเองก็ใจของตัวเองเป็นธรรมดาอย่างนี้เอามาโชว์หลวงพ่อครับแล้วเมื่อสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อให้ผมไปดูกันบ้านตรงกูเก่งครับใช้ตัวนี้ไหมครับอะไรนะดีขึ้นเยอะเลย่รงเมั้คบอะไรนะที่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ กูเก่งเนี่ยมันเป็นมานาอัตตาเป็นความมานะนะรู้สึกเราเก่งเราเหนือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราดีเราฉลาดเราปฏิบัติเก่งอะไรเงี้ยของคุณดีขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้รู้สึกไหมเขี้ยวเล็บไม่โผล่เลยครับครอ่ะต่อไปเมื่อวานนี้ภาวนาภูอีกเหมือนมันมัวทั้งวันนะคะหลวงพ่อเลยไปเหมือนกับไหมมันแตะมันแรงแรงแรงแรงแล้วพอตอนเย็นจนถึงตอนเนี้ยมันเลยฟุ้งแล้วมันก็เลยไปกดเอาไว้อะค่ะ น้มาสการใ่ไเมื่อวานเหมือนคงอยากจะพยายามมากไปค่ะโลภกับ โ, <อ>โมหะคอบแล้วก็พอดี<อ> <he en. S 2> เสียมองเห็นนะดีแล้วเสียยังไงก็เลยพยายามว่าปกติเราทําแค่ไหนก็พยายามทําให้มันเหมือนปกติเพราะว่ารู้สึกว่าปกติก็ภาวานาพอได้อยู่แล้วค่ะเมื่อวานก็เลยเลิกพยายามไปมค่ะ กรู้สึว่าคือการฝ <ใน S 2> ึกในชีวิตประจําวันเนี่ยนะมันเหมือนขี้เกียจแต่ไม่ได้ขี้เกียจมัน<ะ>ยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวตลอดเลยความจริงขยันยิ่งกว่าขยันอีกน ะ, ะงั้นดูผิวเผินเหมือนกับว่าโอ้ทำไมย่อหย่อนไม่ไปเดินจงกลมหลายๆชั่วโมง<ะ>ก็ทุกก้าวที่เดินถ้ารู้สึกตัวได้ะก็คือปฏิบัติอยู่ทั้งวัน<ะ>นะของคุณต้องทําในรูปแบบบ้างน ะ, ะต้องไปทํานะกลไปทำเอา ไปเดินจงกรมนะนมัสการค่ะจิตขณะนี้เป็นยังไงตอนนี้หลงค่ะนอกจากหลงมีอะไรอีกรู้สึกไม่ตั้งมันม่นเลยค่ะแล้วทำอะไรอยู่ที่ไม่ไม่ตั้งมั่นแล้วทำยังไงก็พยายามพยายามปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นไม่ใช่ขณะนี้ขณะนี้รู้สึกไหมทำอะไรอยู่กดเอาไว้ดูออกไหมไม่ออกค่ะรู้สึกไหมใจเราอึอดอัดใจเราแน่นแน่นดูออกไหมนิดหน่อยค่ะนะ นิดหน่อยก็แสดงว่ากดนิดหน่อยหนักมากก็แสดงว่ากดมากภาวนาจริงนะจะไม่ดัดแปลงใจใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังถ้าเรารู้โดยไม่ดัดแปลงนะั้นใจจะไม่มีน้าหนักถ้าเกิดความหนักใจขึ้นมาแสดงว่าแอบไปยึดไปถือของคุณนี่แหละที่หลงนะเมื่อกี้เนี่ยหลงลงไปเพ่งถลาลงไปรู้สึกไหมจิตไหลลงไปให้รู้ทันนะรู้ทันมันจะขึ้นมาเอง แล้วไงก็รู้สึกว่าไม่ตั้งมั่นก็เลยพยายามจะปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นนะคะทําเล่นๆ น, นะทําในรูปแบบเนี่ยไปเดินจงกรมเดินเล่นๆ เ, เดินแล้วรู้กายเดินแล้วรู้ใจเห็นกายทางานเห็นใจทํางานไปเรื่อยๆอะต่อไปเชิญคุณหมอคงศักดิ์ไหนๆก็มาจากอเมริกามาเยี่ยมกันทั้งทีคุยกันบ้างใครสนใจคุณหมอคงศักดิ์ลืมตัวเอง เยอะวันนั้นมากเลยนะผู้ร้ายปากแข็ง อ, อยากเรียนถามหลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ารวังคจิตของคนปุถุชนกับพระอรหันต์นี่เหมือนกันแต่ต่างกันที่ชวนจิตก็อยา ก, กเรียนถามท่านว่าไอ้ตัวตัดสินนี่มันคือโพทพนจิตรือว่าหรือความรู้สึกตัวนี้เขาไปตัด การรู้สึกตัวเข้าไปรู้ท่านหรือว่าไงครับคือถ้ายัางจงใจอยู่นะไม่เยี่ไม่ใช่ยังไม่ใช่มหากริยาจิตมหากริยาจิตเนี่ยไม่มีความจงใจหรอกเพราะว่ทัพนะมันตัดสินออกมาที่ไรมันเป็นมหากริยาทุกทีเลยนะแต่ว่าจิตเนี่ยจะเป็นสองอย่างนะบางทีก็เป็นมีสมอนัตบางทีก็เป็นอุเบกขานะมีสองชนิดบางทีก็ประกอบด้วยปัญญาบางทีก็ไม่ประกอบด้วยปัญญานะมีหลายแบบ ไมม่เห็นีอะไรเลยคุณ อ, อย่างนั้นพระวังก็จิตของอุธุชนก็มีพุพทธภาวะอยู่แล้วถูกไหมครับคือเราอยากคิดเยอะเดี๋ย <laughs> วพวกนี้จะไปหาพุทธภาวะในพระวัติจิต <laughs> <laughs> <laughs> ของคุณหมอไม่มีปัญหาไงเดี๋ยวคนอื่นมีปัญหาเดี๋ยวเอาแล้วว่าพุทธะของเรามีอยู่แล้วเราเที่ยวสแสวงหาพุทธะหลวงปู่ดุลเคยสอนนะเอาพุทธะไปสแสวงหาพุทธะเอาจิตไปสแสวงหาจิตไม่เจอหรอก หาอีกกับหนึ่งไม่เจอไม่สแสวงหานะแต่ถ้าจิตเกิดอาการสแสวงหาเมื่อไหรให้รู้ทันมันมีตันหาขึ้นมาจิตจะดิ้นรนสแสวงหารู้ทันลงไปเลยพอรู้ทันนะมันก็ขาดลงไปตันหาขาดใจไม่สแสวงหาไม่ดิ้นรนนะใจก็สร่งรู้อยู่รู้อยู่ที่รู้อยู่ไม่ได้ประคับประคองไว้ไม่ได้รักษาไว้ดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็เห็นกระทั่งตัวรู้เองนะเกิดเราก็ดับคุณหมอเห็นไหมรู้เกิดแล้วก็ดับไม่ใช่รู้ รู้เราก็รู้รู้วก็รู้หรอกนะอย่างตอนนี้เปลี่ยนจากรู้เป็นคิดแล้วใจมีพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแล้วก็คอยดูเอาเชิญคนต่อไปเชิญยกมือเบอร์ส5บห้าเบอร์มืเออื่นมือเอาลอก่อหลวงพ้าตาลายเห็นใจคนแก่นะโอ้หยกเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเยอะจริงๆ นมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อหนูมาครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะจากครั้งแรกนี่สองปีค่ะแต่ระหว่างสองปีนี้ก็คือหนูตามรู้ตามดูตลอดเลยค่ะที่หนูเห็นก็คือหนูเห็นหลงหลงคิดเยอะมากเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นที่สองก็คือหนูเห็นทุกข์ทุกข์ที่ว่าพอเห็นทุกข์ปุ๊บจะมีการแก้ทุกข์เกิดขึ้นมาตลอดอนั่นมันไม่เป็นกลางหรอกค่ะอันที่สามก็คือเห็นอัตตามานะอัตตาค่ะ เยอะมากเลยค่ะดี <c oughs> ดีอย่างตอนนี้ยังพุดขึ้นมาเลยเห็นไหมพอ <c oughs> เราเล่าว่าเราเห็นมานาตา <c oughs> <ช>นะมันน่าม<ช>ั น, นยังพุดขึ้นมาเลย <c oughs> ดีที่เห็นนะ <c oughs> ไปตามรู้ตามดูสภาวะทั้งหลายที่เราไปรู้ไปเห็นสังเกตไหมมันก็เป็นแค่สภาวะไม่ใช่เราสัก อ, <c oughs> อันเดียวคดูลงไปเรื่อยวันหนึ่งจิตก็จะเห็นความจริงว่าเราไม่มีหรอกนะมีแต่สภาวะธรรมเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็หายไปใจไม่ตั้งมั่นไปดูเราตรงนี้อ๋อใจไม่ตั้งมั่นเหรอดูออกไหม ใจมันออกนอกไปมองหลวงพ่อหรือเปล่าคะมองหลว ง, ง, งพ่อนะอตอนไม่ดูไม่มองหลวงพ่อมันก็ไม่เข้ามาข้างในมันไปติดความว่างๆอยู่ข้างนอกตัวนี้ต้องสังเกตให้ดีนะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยบางทีภาวนาไปเห็นสภาวะเกิดดับไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นจริงนะจิตจะเคลื่อนออกมาเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ไม่ได้ฟุ้งไปไหนหรอกไปฟุ้งจับอยู่ในความว่างความสว่างที่เกิดขึ้นนะนะ ตัวนี้เรียกว่าโอภาษเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งบางคนไปอยู่ตรงนี้แล้วสำคัญผิดว่าเป็นพระอาหารหันต mm ์ hmm. รู้สึกไม่สบายให้อยู่ตัวนี้สบาย <Okay. S 1> รู้สึกไม่เหมือนไม่มีกิเลส <Okay. S 1> เหมือนกับไม่มีทุกข์รู้สึกไหมมันจะโล่งออกไปข้างนอกให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานนะจิตไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันลองดูสิลองทวนเข้ามาดูจิตสิรู้สึกไหมไม่เข้า ไม่เข้าเออเนี่ยไปดูตรงนี้นะใช่จิตเราไปติดอยู่ข้างนอกให้รู้ทันตัวนี้สําคัญมากนะตัวเนี้ยถ้าดูตัวนี้ไม่ออกจิตไปอยู่ข้างนอกพอจิตไปข้างนอกเนี่ยไม่เดินปัญญาต่อล้วมันจะไปว่างไปสบายไปมีความสุขอยู่แค่นั้นเองนึกออกใช่ไหมมันทวนเข้ามาไม่ได้ทวนไม่ได้เออนี่แหละเราเรียกเอาใจมาแลกกันแล้วมาวัดใจกันเอ้าต่อไปคเดี๋ยวขออีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอเอาว่าไป คืออย่างนี้ก็แสดงว่าหนูก็คือไม่เห็นคือตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่มีตัวเองคือไม่มีตัวตนไม่มีเพราะว่าไปลงอยู่ข้างนอกไปจับอยู่ในว่างพอจับอยู่ในว่างเขาไม่มีตัวเราไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสตัวนี้ระวังให้ดีนักปฏิบัติไปติดตรงนี้เยอะเลยดูกายก็ติดนะดูใจก็ติดแสดงว่าหนูก็คือต้องต้องอูตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองใช่ไหมดูรู้แล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้มาอ่ามันจะเข้าเอง เดิมเรายินดีพอใจในพบชนิดนี้พบว่างๆเนี่ยจิตไปยินดีไปพอใจเราไม่เห็นะตอนนี้เรารู้แล้วเริ่มไม่พอใจมาแล้วต่อไปนี้ยรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เอาเบอร์ร้อยสิบสามหนูพาสามีมาด้วยคหรอเอาสามีน่ะเต็มใจมาเปล่าเต็มใจมาครับคือเมื่อสองปีก่อนเคยมากลับน้ำสการท่านตอนนั้นมีอาการเครียดเกร็งแล้วก็เคยปฏิบัติแบบกด หลวงพ่อก็ท้าบอกว่าให้เลิอกอื mm. ว่าใจกล้าพอไหยในการที่จะไม่ทําแบบเดิมอก mm. mm. ็หลังจากนั้นกลับไปก็ไม่ไม่ได้ทําคือใช้ชีวิตตามปกติก็ตามรู้แต่ทุกครั้งที่ตามรู้ตั้งใจเนี่ยมันก็คือการ mm. จงใจแล้วก็บีบไว้เหมือนเดิม mm. มีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองที่มันเบาๆแล้วก็ไม่ไม่มีการบังคับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการบังคับ ไม่เป็นไรนะเบื้องต้นบังคับแล้วรู้ว่าบังคับก็ใช้ได้แล้วจิตของคุณเปลี่ยนไปเยอะคุณรู้สึกไหมรู้สึกความทุกข์ลดลงครับแล้วก็มันมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ไม่นานแล้วก็ไม่ไปไม่ไปจับมัดเอาเลยนั่นเห็นไหมใจมันเริ่มคลายออกคนเราเนี่ยไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองแล้วไปยึดมันไว้เองพาเรามีสติมีปัญญาใจตั้งมั่นนะทุกส่วนทุกนะมีมีความทุกข์เกิดขึ้นนะแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์หรอก ค<ไ>่อดูให้ทําต่อไปครับ ใ, ในรูปแบบก็ไม่ทิ้งนะถึงวันนี้กลับไปทําได้แล้วทําได้แล้วนะครับเรรู้ว่าเพ่งเป็นยังไงแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมเพง่งเรารู้ว่าเพ่งเป็นยังไงเราก็ทาในรูปแบบเพื่อใจจะได้มีแรงรงั้นบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมถะเข้าใจผิดนะสมถะเราก็ทิ้งไม่ได้หรอกแต่คนที่ติดสมถะแล้วเดินปัญญาไม่ได้ตรงนี้ต้องจริงไปก่อน ทิ้งไปก่อนคล้ายๆพระเจ้าตากนะอยู่ในอยุธยาไม่ไหวเราต้องทิ้งไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งกลับมาตีขืนของคุณตอนนี้ก็กลับไปทําสมถะได้มันจะไม่กลับไปเพ่งอย่างเก่าละครับร้อยสิบสามเชิญกลับนมรสการหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติในรูปแบบ ด, ด้วยการเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์วันละสองสาชั่วโมงค่ะแต่ก็แล้วก็ตั้งใจอยากจะทําเท่าที่กําลังและสติจะทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะแต่ก็พบว่า ก็ไม่ได้ไปถึงไหนเท่าไหร่อะคะ่ะอยากให้คุณหลวงพ่อช่วยที่วัดจุดบกพ้องอะค่ะจะไปไหนอ่ะการปฏิบัตินะเราไม่ไปไหนหรอกเรารู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะการปฏิบัติเนี่ยเพราะฉั้นเราสวดมนต์ไปเราก็เห็นร่างกายมันสวดมนต์ไปเห็นใจมันชิดไปสวดมนต์ไปก็รู้กายไปรู้ใจไปนะ หรือเดินจงกลมก็รู้กายไปรู้ใจไปอยู่ในชีวิตประจําวันก็รู้กายรู้ใจไปเคยทําอย่างนี้บ่อยๆ<ม>เดี๋ยววันหนึ่งเห็นเองครทั้งกายทั้งใจมันไม่มีตัวเรา จ, บบจุดบกพร่องที่ควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างคะอันแรกเลยนะอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังว่าทําเยอะๆเราจะได้ทําใจสบายๆถือว่าเราทำเป็นเครื่องอยู่อย่างเราสวดมนต์หลายๆชั่วโมงเราอะไรเงี้ย เราถือว่าเราบูชาพราะพุทธเจ้าคิดถึงพุทธเจ้าแล้วใจเรามีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ส่วนมนต์ไปเราก็หวังว่าเมื่อไหร่จะดีสักทีใจเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้สวดมนต์ไปรู้ทันใจของเราไปบ่อยๆรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปบ่อยๆอย่างตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมค่ะใช่ค่ะใจไปคิดก็รู้ว่าไปคิดนะเนี่ยฝึกไปก็รู้ทันใจของตัวเองไปสังเกตเห็นใจที่กังวลไหมค่ะ เห็นใจที่กังวลรุ่มใจทำไงมันจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยมันอยากดีให้รู้ทันลงไปอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันลงไปลูกเดียวเลยนะแอบไปคิดแล้วซ้ำไหมค่ะรู้ทันอย่างนี้คนี่ไปคิดแล้วรู้นี่ไปคิดแล้วรู้ไม่ได้ห้ามแต่ในชีวิตประจำวันก็เพลินไปตลอด เ, ออลเลือกไ ม, ไม่ค่อยได้อะคะ่ะงั้นต้องไปสวดมนต์แล้วก็ดูจิต บ่อยๆต่อไปในชีวิตประจำวันนะพอกิเลสเกิดเนี้ยสติจะเกิดเองเลยเบอสี่สิบสี่กราบน้ัมาซานหลวงพ่อครับก็มาครั้งแรกมาครั้งที่สองครับแต่ว่าส่งกันบ้านครั้งแรกเพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสามเดือนครับเห็นอะไรมั่งอ่ะก็เห็นกิเลสเต็มไปหมดเลยครับโอ้ดีนะทั้งสามเดือนเห็นกิเลสเต็มไปหมดเลยเห็นก็มันเยอะแยะทุกตัวเลยครับ แล้วทำไงกับมันพอเห็นแล้วก็ปล่อยเพลินบ้างครับให้ภานาะไม่ใช่ปล่อยเพลินนะเขารู้แล้วสังเกตไหมพอเรารู้ทันกิเลสมันจะหายไปเองครับนะรู้บ่อยๆนะไม่ใช่เพลินกับมันนะครับแล้วจิตของผมนี่ตื่นหรือยังครับตื่นสี่ตื่นเป็นขณะขณะ <c oughs> เวลาตื่นไม่มีใครตื่นตลอดเวลาหรอกนะ เวลาตื่นก็รู้ตัวขึ้นได้เป็นขณะขณะอย่างตอนเนี้ไม่ตื่นแล้วไปกดไว้ละนึนตื่นเต้นจะออกมาทางกายครับใจไปขมไหมเห็นไหมอย่าไปขมมันแล้รู้มันอย่างที่มันเป็นที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะมีเพื่อนชมบ้างไหมว่านิสัยดีขึ้นไม่ค่อยครับเพื่อนรู้สึกบ้างไหมว่าเพื่อนเราเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเนี่มีคนรับรองแล้วครับแล้วที่ผมสวดมนนั่งสมาธิอยู่นี่มันถูกไหมครับถูกสิ เพรผมรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมันจะค่อนข้างเคลิ้มลงไปอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้ตัวให้เยอะๆไว้ก็แล้วกันครับต่นั่งจะพักผ่อนบ้างก็ไม่เป็นไรใจเราฟุ้งซ่านเยอะในชีวิตประจำวันมันฟุ้งมากนะพอไปนั่งสมาธิมันจะเคลิม้มๆไปอครับเบอร์57าเจ็ขอบคุณครับ น, <ช>นับัณฑิตการหลวงพ่อครับพอดีผมเพิ่งมีโอกาสม า, มาวันแรกก็เลยจะมาขอการบ้านนะครับการบ้านอะไรเราดูกายดูใจเราไปเนาะครับ กิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ฝึกแค่นี้แหละรู้จักกิเลสไหมตอนนี้ผมพอดูเป็นไรใช่ไหมครับพอดูได้นะแต่ตอนนี้เพลงอยู่ไว้พอดูได้แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอให้แม่ผมด้วยครับไหนละแม่ข้างๆครับโอ้อาว่าไปวันนี้วันแม่หรือเปล่าไม่ใช่ใกล้ละอ่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ดิฉันเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนานะคะ เพราะว่าลูกได้ไปชวนนะค ะ, คะแล้วก็ดิฉันก็ยังงูประปลาอยู่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนะคะอยากจ ะ, อะข อ, อะความกรุณาของหลวพ่อช่วยชี้แนะนะคะไม่ยากอะไรนะเราค่อยดูใจเราเรื่อยๆรู้สึกไหมลูกเราแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากัน <c oughs> บางวันก็น่ารักมากบางวันก็น่าตี <c oughs> เวลาเรามองเห็นคนนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้เห็นคนนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้ให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอะ รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆวัดใจตัวเองไปแ ล, แล้วที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ยังเพ่งอยู่เพ่งอยู่นะคะรู้สึกไหมใจนิ่งๆค่ะยังเพ่งเพ่งตอนกลัวหลวงพ่อนี้แหล <c oughs> นะปล่อยใจสบายๆแล้วตามดูไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้น ะ, ะ, ะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วขอบคุณค่ะร้ <18 4. S 2> อยแปดภาวนาแบบ <c oughs> งูงูปลาปลาดีนะ ภานานแบบมังกรนี่ไม่ดีแบบพญายนาคริษเดนเยอะเกินกลับ น, ม, นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนมองไม่เห็นเออยืดยืดหน่อยอ้าว่าไปตื่นเต้นไหมเตื้นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วทํายังไงดีก็รู้ว่าตื่นเต้นเออก็รู้ว่าเต้นเต้นตอ <c oughs> บถูกแล้วรู้เปล่าเออหนูนะเห็นการทํางานของ จิตใจเวลานอนหลับอะค่ะเวลาฝันจะเห็นเหมือนเป็นคนดูเออแล้วเวลาตื่นเห็นไหมเห็นตัวเองเห็นร่างกายตัวเองเวลาตื่นน่ะเหรเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างนั้นก็ได้นะคแล้วก็อเวลาเคยนั่งสมาธิเล่นๆแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าสักประมาณครึ่งชั่วโมง เหมือนกับมันมีอะไรอยู่ไม่มีไม่มีตัวไม่มีคนนั่งนะคะมันมีแต่จิตนั่งก็แค่ว่ามันเหลือความรู้สึกตัวอยู่ก็ใช้ได้เหลือความรู้สึกตัวแต่แต่ถ้าตั้งจริงๆหรือว่าพยายามนั่งเนี้ยมันจะไม่ไม่พยายามนั่งอะ่ะคือจงใจจะทำนะมันก็ไม่เป็นต้องไม่จงใจ่างจะเป็นก็ หนูควรทำในรูปแบบเพิ่มหรือว่าไงคะไม่ต้องหรอกนะทเท่าที่ทำอยู่นี่แหละแต่ว่าในชีวิตประจำวันนี่ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้ยืนเดินนั่งนอนนะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้นะเบอร์ร้อยมสสการหลวงพ่อครับขอการส่งกันบ้านครับจิตตอนนี้ความตื่นเต้นแล้วก็ส่งไปมองหลวงพ่อมีความชอบที่ดีใจที่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อ มีความพอใจแล้วก็ยังตื่นเต้นไม่หายครับไม่เป็นไรนะที่คุณฝึกอยู่ก็ดีนะครับมันเริ่มเห็นสภาวะได้ด้วยตัวเองแล้วครขอให้หลวงพ่อช่วยนําาสำอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนก่อนจะพูดเห็นความอยากพูดไหมเห็นครับไม่มีความอยากดันขึ้นครับมันดันขึ้นตรงไหนหน้าอกครับถูกต้องนะดูเป็นแล้วไปดูอีกนะครับกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นกลางอกนั่นแหละครับหลวงพ่อเกาสิบห้าแต่ไม่ไปจ้องไว้นะ ไม่ใช่ไปจ้องอยู่กลางอกตลอดเวลาอันนั้นเพ่งใช้ไม่ได้ให้กิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอาบอร์เกิบ95อยู่ข้างหลังการนมัสการหลวงพ่อครับก็คือผมไม่ได้ส่งกันบ้านมานานแล้วครับประมาณ2ปีครึ่งครับนานจริงก็ปฏิบัติเรื่อยมาครับแต่ก็ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติเนียถูกหรือเปล่าครับเห็นกิเลสบ่อยไหม เห็นบ่อยครับแต่ตอนนี้รู้สึกจะเห็นเป็นเห็นเป็นทุกข์มากกว่าครับเห็นสภาวะที่เราเข้าไปติดอยู่นั้นมันก็เป็นทุกข์โอ้ดีมันเริ่มมีปัญญานะไม่มีปัญญาไม่เห็นทุกข์หรอกแต่มันก็ไม่หลุดออกใช่ไหมฮะอยากหลุดไหมก็คือถ้ารู้สภาวะนะให้รู้สภาวะตามความเป็นจริงเป็นจริงของมันก็คือทุกข์นั่นแหละรู้ด้วยความเป็นกลางนะถ้าใจเราไม่เป็นกลางใจเรายังรังเกียจทุกข์อยู่ก็ยังไม่พ้นหรอก มันก็จะทุกข์ไปเรื่อยไปรู้วันนี้ก็นะจิตไปเกาะอันนี้ก็ทุกข์จิตไปเกาะอันนี้ก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ไปหมดเลยวันหนึ่งจิตจะฉลาดขึ้นมาจิตจะเป็นกลางจิตรู้แล้วความทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่พ้นไปไหนก็เอาทุกข์ไปด้วยพาจิตมันรู้ตรงนี้น้ํายอมรับเนี่ยเป็นกลางกับมันไปดูอีกนะดูจนเป็นกลางที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะครับดูออกไหมใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้ว ครับขอบคุณครับหลวงพอ่อร6 9านมัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะกะ็ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะใจเราสว่างดีไหมหรือใจเรามัวมัววันนี้มีมัวบ้างค่ ะ, อ, ะอย่าง<ม><ม>ทุกเชา้าทุกเช้านี้จะรู้สึกว่าตัวเองมีโมหะเยอะมากเออเช้าเช้าเนี่ยตอนตื่นนอนนะโมหมะมันเยอะธรรมดา ค่ะเราแรกๆก็ไม่เป็นการค่ะรู้สึกไม่ชอบโมหะตัวนี้อดีีท่รู้ก็ฝึกต่อค่ะแล้วก<ช>อ็อย่างบางครั้งนะคะก็ไปไปวิ่ ง, งะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวของมันเองอ ม, มันก็ให้มันเป็นไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่รู้ว่าเราเหนื่อยเราเรารู้สึกยังไงก็ร่างกายมันเหนื่อยนะมันจะไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยค่ะจะเห็นร่างกายเหนื่อยแต่ไม่ใช่เราเหนื่อยนะ เห็นใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงไม่ใช่เราโลภไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราหลงค่ะมันมันเป็นของมันเองถ้มันเป็นของมันเองแล้วเวลาเหนื่อยมันก็เหนื่อยของมันเองใช่ค่ะแต่แต่จิตมันจะรู้นะคะจิตมันก็โอเคก็พักค่ะก็แล้วอย่างบางทีที่เวลาเราขับรถอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนใจร้อนมากแล้วก็โทสะเวลามีใครปาดซ้ายอะไรเงี้ยค่ะจะจะรู้สึกแบบ มีโมหะขึ้นแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่หงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดต่อเนื่องพอมาตามรู้ตัวเองได้นะเราจะรู้สึกตัวเองว่าเราตกใจแล้วเราก็ไปโมโหเขาแล้วมันก็ดับเลยโอ้ดีนะแล้วมันก็เราก็ไปสังเกตสภาวะอื่นต่ออะไรเงี้ยค่ะว่ามันมีโมหะเกิดขึ้นมันก็ะเกิดขึ้นเยอะมากค่ะระหว่างตั้งแต่แบบขับรถจากที่บ้านไปที่ออฟฟิศนี่นับไม่ท้วนจนบางทีก็รู้สึกไม่เป็นกลางนะคะว่าทํำไมมันเยอะดีลน ะ, ะที่ฝึกอยู่ดีนะค่ะแต่ต้องมีอะไรปรับปรับนะคะอย่างบางทีตัวเองก็ไป อาจจะอยู่ข้างนอกหรือว่าตอนนี้จิตไม่อยู่ที่ฐานตรงนี้ยังสังเกตไม่ได้อะค่ะหลวงพ่ออยังขณะนี้ยไม่อยู่ที่ฐานหรอกมันมันลอยๆออกไปมันลอยๆออกไปมันมันตื่นเต้นนะคะมันตื่นให้รู้เอานะที่ฝึกอยู่ดีนะของคุณถ้าเป็นไปได้เนี่ยเพิ่มการทําในรูปแบบบ้างค่ะสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยทาให้ใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแรงน้อยไปหน่อยออดูออกไหมดูออกค่ะ ต้องทำในรูปแบบนะเป็นการเพิ่มพลังเมืม่อแปดสิบใครง่วงบ้างายกมือเอาเปลี่ยนยกอีกมือหนึ่งอ้าวยกสองมื อ, อ, า อ, ม อ, อาหายง่วงละกินข้าวแล้วง่วงกล่าวนมัส ก, การหลวงพ่อหนูห น, หนูควรจะไปปฏิบัติยังไงให้เหมาะกับตัวเองคะหนูเป็นคนขี้โมโหนะ งั้นเวลามันโมโหขึ้นมาก็รู้โมโหแล้วก็รู้ถือศีลไว้ก่อนเวลาโมโหไม่ว่าใครนะแล้วก็คอยรู้ทันใจใจโกรธขึ้นมาก็รู้รู้บ่อยๆดูใจไปเหมาะที่จะดูใจนะเป็นคนช่างคิดด้วยนึกออกไหมใช่อ่ะใช่คิดมากเดี๋นะดูใจของเราไปเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์เดี๋ยวใจก็ดีเดี๋ยวใจก็ร้ายดูไปงี้ดูทั้งวันเลยดูไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งให้นิ่ง อ้าต่อไปร้อยเจ็ดอ้าการปรัสบการ์เจ้าค่ะตอนนี้ฝึกเผลอรู้อย่างเดียวเลยเจ้าค่ะอืมแล้วไงล่ะเห็นอะไรมัง่งก็เผลอตลอดอะคะอ่ะมันเผลอบ่อยๆอะคะ่ะแล้วขณะนี้เป็นยังไงบอกให้ชื่นใจซิตื่นเต้นเจ้าค่ะตื่นเต้นแล้วกดเอาไว้ดูออกไหมจิตวันนี้สว่างหรือจิตวันนี้มัว ม, มวีมัวสว่างสลับะะอันค่ะเออแล้วขาะนี้ล่ะ ตอนนี้โม่ๆนิดนึงเออตอบถูกผ่านได้คะแนนหน้าที่เราก็แค่รู้สภาวะทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานะแล้วสังเกตไหมสภาวะทุกอย่างนั้นไม่มีตัวเราอพะค่ะนั่นแหละเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีตัวเราเป้าหมายแรกที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ในชีวิตนี้ตั้งเป้าไว้นะแต่ไม่ใช่โลก ตั้งเป้าไว้แล้วเราก็ทําเหตุที่เราจะเป็นพระโสดาบันท่าโลภเนี่ยมันอยากได้ผลแต่ไม่ยอมทําเหตุงั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านละความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็มาดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจนะดูสภาวะทั้งหลายจะเห็นเลยมันไม่มีตัวเราดูบ่อยๆวันหนึ่งใจก็ยอมรับความจริงว่าไม่มีตัวเราหรอกนะได้ทำอีกนะตอนนี้เพ่งมากไปนิดนึงร้อยเจอยู่ข้างหน้าร้อยเจ พิมเสื้อฟ้ากลาวแต่มาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ติดแน่นๆวันนี้มีโมหคะค่ะโอเคครั้งนี้มาส่งการบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งที่สองของเดือนที่สามเดืนนี้จิตเห็นมีโมหะเยอะคะ่ะหลวงพ่อมีมีโมหะนี่คือ เป็นความคิดนะคะคือหลงไปคิดแล้วก็จะเจอกิเลสโทสะจะเกิดบ่อยมากดีที่เห็นนะเห็นโทสะบ่อยมากดีแล้วก็บางครั้งก็จะเห็นว่าเราเก่งนะเก่งนะเวลาโทรไปส่งการบ้านกับอาจารย์ก็จะภูมิใจอยู่เลยหรือว่าเราเก่งเออดีที่รู้ทันนะใช้ได้เลยล่ะไปครับต่อร้อยหกสิบกับนมัสการหลวงพ่อครับ ตอนนี้ที่ฝึกอยู่ก็คือฝึกรู้สึกตัวครับแล้วก็มีสภาวะอะไรเกิดก็ตามรู้ตามดูครับอืมขณะนี้แหละครับผมขณะนี้เป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นครับอืมจิตเป็นไงมัวไหมมัวมัวครับอ๋อตอบถูกดูได้ดูไม่ค่อยออกเออดูไม่ออกมีโมหามันดูไม่ออกแล้วไงว่าไปทั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตจิตไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับให้ไปดูจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตมีแรงจิตตั้งมั่นมากขึ้น ผมดูออกขึ้นมาว่าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงครับมันจะจะตาออกไปข้างนอกใชออกไปข้างนอกให้รู้ทันนะมันจะเข้ามาข้างในของมันเองแต่ไม่จงใจดึงนะไม่ใช่เห็นไปข้างนอกแล้วจงใจดึงกลับเข้าข้างในอย่างนี้ใช้ไม่ได้หลวงพ่อครับจะขอการบ้านไปปฏิบัติต่อครับไปฝึกอย่างที่ฝึกนี้แหละครับถูกทางแล้วนะครับถูกทางนะแต่ต้องไปพยายามเดินไหมหรือเคลื่อนไหวร่างกายเห็นร่างกายทํางานบ่อยๆครับ่อยคุณบใจจะดีกว่านี้ครับร้อยสบอยู่ที่ไหน น, นมัสการหลวงพ่อค่ะเ อ, อเคยมาส่งกันบ้านออสองปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ายัางเพ่งอยู่แล้วตอนนี้ดีขึ้นบ้างไหมคะเห<ค><ะ>็นความเปลี่ยนแปลงของเราไหมตอบหลวงพ่อก่อนนิดหน่อยค่ะยังเพ่งเหมือนเดิมไหมดูออกยังว่าแต่ก่อนเพ่งดูออกค่ะเอ egan. ถ้าดูออกมันก็เลิกเพ่งไปเองเลยเตอนนี้ใจเราเบ า, า ก, กว่าแต่ก่อนดูออกไหมใจเราคลายออก ใช่เราสดชื่นขึ้นหรือออกไหมค่ะถ้าเราไม่ไปบังคับมันไม่ไปเพ่งมันจิตใจเนี่ยโดยตัวของมันเองนะท่องใสประพัดสอนสว่างไสวโล่งเบาโดยตัวของมันอะเวลามีกิเลสเข้ามาอะใจมันถึงมืดมืดมัวมั ว, มวหนักหนักแน่นๆขึ้นมานี้พอเรามีสติ ข, ขึ้นมานะใจเราก็สว่างขึ้นน ะ, ะให้เราสว่างแจมใสขึ้นคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆรื่ไปไม่ทำอีก แต่รู้สึกด้วยตัวไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่เลยนะคะอย่าอย่าน้อมใจให้นิ่งเหมือนตอนนี้นะรู้สึกไหมเราดันจิตออกไปนิดหนึ่งแล้วไปประคองให้นิ่งนิดหนึ่งมันดันออกไปนิดหนึ่งแล้วไปนิ่งๆไว้แล้วที่ปฏิบัตินี่ถูกไหมคะปฏิบัติ ด, ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้ น, นแต่ตอนนี้เพียงแต่ว่าจิตเราเคลื่อนออกข้างหน้านิดหนึ่งนะแล้วเราไปเกาะนิ่งไว้มันเลยนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมขณะนี้นิ่งๆดูออกไหมนิดหน่อยค่ะ ต้อลืมๆ ม, มันไปเลยเนี่ยใจมันเคลื่อนออกมาจากตะกี้แล้วดูออกไหมมันไม่เหมือนอย่างเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้แข็งๆกว่า น, นี้ค่นะค่ะเนี่ยให้รู้ทันสภาวะที่กําลังเกิดไปเงนี้ดูไปเล่นดูเล่นๆไปเบอร์สามสิบอยู่ข้างหน้ากราบนะ้ำมการคะ่ะหลวงพ่อเมื่อเช้านี้พอเข้ามานั่งในศาลาแล้วรู้สึกว่ามันกังวลมากอืแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนนี้ล่ะกังวลไหม ไม่น้อยลงค่ะน้อยลงถูกแล้ว พ, พอฟังหลวงพ่อเทศไปสักพักหนึ่งใจมันก็โล่งขึ้นแต่ตอนนี้ก็กลับมาตื่นเต้นอีกเออดีนี่แหละการภาวนานะไม่มีอะไรหรอกคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเรื่อยๆจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะเปลี่ยนตลอดเวลาจิตแอบไปคิดดวกไหมค่ะแล้วก็รู้ทันมันไปฝึกเอาอีกหนูขอกัรบ้านค่ะ ขอคุณเคลื่อนไหวร่างกายไหมไปทํางานบ้านเยอะๆนะ <Okay. S 2> แล้วก็ดูกายไปด้วยดูใจไปด้วย <Okay. S 2> อย่าดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวเดีย๋ยวจะไปเพ่งใส่จิต <Okay. S 2> เบอร์ร้อยสามกลับมาเการหลวงพ่อคะ่ะตามรู้ตามดูมาประมาณสองปีกว่าคะ่ะก็รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนหลวงพ่อก็เชื่อรู้สึกไหมมันดูดีขึ้นเยอะเลย เมื่อก่อนหน้านิ้คิ้วขมวดนึกออกไหมไม่ออกค่ะตอนนี้ดูผ่องใสใช่แล้วก็มาพักหลังๆนี้จะรู้สึกว่าจะเห็นกายไม่ใช่ตัวเราค่ะไม่ทราบว่าเห็นด้วยปัญญาหรือว่าเห็นด้วยปัญญานะใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นถูกแล้วสังเกตไหมใจจิตเขาทางานได้เองสังเกตเห็นค่ะเนี่ยดูกายดูจิตไปอย่างนี้หละ การปฏิบัติเนี่ยนะเบื้องต้นนะทําไปให้มีสติอยากให้มีสตินะก็รู้กายหรือรู้จิตหรือรู้เวทนาอะไรสักอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งเป็นที่อยู่ให้พอจิตไปอยู่ที่นั้นก็รู้จิตนี้จากที่นั้นก็รู้ฝึกเรื่อยๆนะแล้วสติจะเกิดเร็วพอมีสติแล้วเนี่ยไม่มีแล้วสายกายสายจิตบางทีมีสติก็รู้กายบางทีก็มีสติรู้จิตไม่มีแล้วลว่าสายใดสายหนึ่งนะ สายได้สายหนึ่งนั้นเอาไว้ทําตอนจุดเริ่มต้นเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งพอจิตไปอยู่ที่เครื่องอยู่นั้นไปอยู่พลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่อื่นก็รู้จิตไปคิดก็รู้อะไรอย่างงี้ยรู้บ่อยๆนะสติมันจะเกิดแต่ไปใจไหลนิด น, นึงก็เห็นแนละ้วเพราสติเกิดนะรู้ตัวขึ้นมาบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตเอาแน่ไม่ได้หรอกไม่มีแล้วสายกายสายจิตนะเบอเก้า กับมรสการค่ะหลวงพ่ อ, อได้ฟังซีดีนะคะอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็มาฐานเก่าที่ทํามันเครียดไปทําผิดเลยแต่ของเก่าหนูหนูอยู่บ้านหนูไม่ไม่คืออ่านหนังสือของท่านท่านนู้ท่านนี้อะไรเงี้ค่ะแต่ว่าแล้วไปเพ่งเอาคงอย่างนั้นนะคะคราวนี้ บางครั้งจะมีความรู้สึกว่าตัวเองหุดหิดแรงขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเก็บกดเมื่อก่อนจะโกรธแล้วก็กดเอาไว้ให้ดูดีอตอนนี้ไม่ได้กดน ะ, ะพอไม่กดนะั้นมันกิเลสมันทำงานได้สบายใจของมันมันขึ้นมาแรงหน้าที่เราก็มีสติรู้ทันไปดีแล้วฝึกไปเพื่อตอนเองจะได้พ้นทุกข์ไปร้ <170 S 1> อยเจ็ดสิบอยู่ข้างหน้าร้อยเจ็สิบอยู่ข้างหน้า ธรรมศาการครับหลวงพ่อถามดีกว่าถามหลวงพ่อมาเยอะแล้วจิตเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนครับมันเป็นยังไงมันตั้งมั่นขึ้นรู้กิเลสมากขึ้นรู้เผือมากขึ้นรู้ก็หหเห็นไหมมีเราตรงไหนบ้างเป็นพักๆครับมันคิดขึ้นมามันก็มีเรานะครับตัวเราจริงๆไม่มีหรอกในกายมันก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรารเราต้องคิดขึ้นมาเอง ยิงไม่มีเนี่ยดูไปนะที่ฝึกอยู่น่ะดีแล้วถูกแล้วแล้วสภาวะที่ที่เราเห็นว่าเหมือนเหมือนเราไปกดไว้ตอนเนี้ยถูกต้องแล้วก็ถัดไปเนี่ยมันจะมันจะเหมือนเราอยากจะหายอ่ะนั่นเราก็รู้ไป<อ>กดอยู่ก็รู้รอยากให้หายก็รู้เนี่ยรู้ลงปัจจุบันต ร, <ป>ตรงนั้นเป็นปัญญาใช่ไหมฮะใช่ตามรู้ลงไปนะมีสติรู้ทันไปมันเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งมันอยากหายรู้ว่าอยากนะ ตรงปัญญามันก็คือมันจะเห็นตัวที่เพ่งอยู่เดี๋ยวมันก็คลายออกตัวที่อยากพอไปรู้ทันก็หายไปมันเกิดดับให้ดูตัวปัญญาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์สติเนี่ยจะเห็นตัวสภาวะเช่นเห็นว่าเพ่งอยู่เนี่ยสติเป็นตัวเห็นเห็นว่าจิตมันไปเพ่งของมันได้เองนะนี่เป็นปัญญานะมันทําไม่ใช่เราหรอกเห็นว่าอยากหายเห็นความอยากผุดขึ้นมาความอยากไม่ใช่เราเนี่เห็นไตรลักษณ์คือถ้าถ้าบางจังหวะก็หายเลยบางจังหวะก็จะ ทำเท<ง>่าที่มันเป็นเราไม่ไปเชี่ยวเข็นให้หายทันทีมันจะมีบางบางช่วงที่เหมือนหมดแรงนะฮะหมดแรงก็ทําความสงบเข้ามาพักผ่อนแล้วตรงตรงที่ผมรู้อย่างผมรู้ลมหายใจเนี่ยมันมันอยู่ข้างนอกหรือมันอยู่ข้างในเราหายใจเรารู้ซิออกข้างนอกนะเเห็นไหมจิตมันส่งไปที่ลมจิตมันยังไหลเข้าไปที่ลมอยู่แล้วตอนนี้เข้าข้างในหรือเปล่าดึงข้างในหรือเปล่าดึงเข้ามาข้างในมีการดึง ถ้าผมรู้ตอนนี้ผมรู้ว่าดึงอย่างนี้มันรู้ว่าดึงกันนะรู้อย่างนี้ไปก่อนมันยังไม่ยอมเลิกดึงครับจนะขอโอกาสหลวงพ่อช่วยแนะนำลูกสาวจิตมันไม่เลิกดึงเนะี่ยมันไม่เลิกของมันเองนะครับเนี่ยเราดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยเราสั่งมันไม่ได้ลูกสาวกี่ขวบแล้วสิอขวบเออสิบเขวบใช้ได้แล้วภาวนาเป็นยังไงเห็นกิเลสหรือยัง เคยโมโหไหมเคยค่ะเคยโมโหใครบ่อยที่สุดเพื่อนค่ะโมโหเพื่อนไม่ใช่โมโหแม่เหรอโมโหเพื่อนนะแล้วเคยรู้สึกรักไหมรักคนโน้นรักคนนี้เคยค่ะเคยรู้สึกกลัวไหมเคยค่ะเคยรู้สึกกังวลไหมเคยค่ะเคยเกลียดไหมเคยค่ะรู้จักดีใจไหมรู้จักค่ะเสียใจเป็นไหมเป็นค่ะก็ภาวนาเก่งต่อไปนี้นะให้กันบ้านละ ความรู้สึกอะไรกาลังเกิดขึ้นในใจเรารู้บ่อยๆคอยรู้ไปเรื่อยไม่ไปบังคับมันนะอย่าไปบังคับให้นิ่งน ะ, ะของหนูยังเริ่มติดบังคับนละอย่าไปบังคับอย่าห้ข่มใจให้นิ่งคอยรู้ทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธใจเรารักขึ้นมารู้ว่ารักใจเราเกลียดรู้ว่าเกลียดนะดูใจไปเรื่อยๆฝึกเก่งนั้นเด็กคนนี้ใช้ได้เลยพ่อแม่สอนมนดี หมดยัง ค, ค่ะอ้าวมีอีกไหมเชิญ48ก่าวนมัสการผ้อาจารย์ครับคืออยากขอความเมตตาอาจารย์ช่วยแก้การปฏิบัติธรรมผมหน่อยครับผมรู้สึกว่าผมจะมีมิฉาสมาธิครับใช่ในตอน จ, ตจิตมันไปติดนิ่งติดมัวอยู่นะเราเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยพอใจมันอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยาก ถ้าไม่รู้ว่าอยากพอลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะถลําลงไปแล้วมันเดินไปน้อมใจให้ซึมๆถ้ารู้ทันว่าน้อมใจให้ซึมมันก็หายเอาลองทำสมาธิให้หลวงพ่อดูเนี่ๆอย่างนี้ไม่เอาหนะายขึ้นมาเลยหายใจแรงๆไหมก่อนให้รู้ตัวให้ชัดอยาให้ความรู้สึกตัวหายไปลืมตาได้ไหมลองลืมตาเมื่อกี้ใจมันเบิกบานขึ้นมาแวบหนึ่งดู อ, อกไหมรู้ทันลงไปอย่างนั้น หายใจไปสิไปภาวนาไปเลิกแล้วหรอเนี่ยใจมีความสุขแล้วรู้สึกไหมหลุดออกมาแนละ้วเราอย่าไปเริ่มต้นก็อย่างนี้ก็ไปสิลืมตาไว้รู้สึกตัวไว้ใจเมื่อกี้มันก็ตื่นขึ้นมาเบิกบานจับได้ใช่ไหมครับคือมีอยู่ช่วงหนึ่งคือในตอนที่ผมสวดมนต์ทุกๆวันนะครับคือตอนสวดมนต์เนี่ยผมจะไปเห็นตัวหนังสือครับตัวหนังสือขอ ง, ขอ ง, ข, องของบทสวดนะครับแล้วก็ อยเห็นในใจเหรอหรือว่าเห็นตัวหนังสือจริงๆเห็นในใจครับอ๋อเห็นในใจไม่เป็นไรธรรมดาแล้วพอพอนั่งสมาธิปุ๊บก็คือไปน้อมใจให้ซึมแล้วก็มืนเยิ้มๆอย่างที่อย่าน้อมสิครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วพอออกจากสมาธิแล้วมมันก็ติดคือตัวมันจะแข็งนะครับอแข็งเหมือนเหมือนเป็นอัมพึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย่างไงไม่ไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้มันผิดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วใช่ไเริ่มอยากต่เกียรตที่มันผิด จำตรงนั้นไว้นะเราอย่าไปทํามันแล้วตอนนี้ผมใจิตใจตื่นไหมครัตื่นแล้ ว, ลวไงแต่กี้ไม่ตื่นตอนนี้นตื่นครับนะเบอร์สามสิบหกที่ติดสมาธิกลับไปที่เดิมอีกแล้วนึกออกไหมมันจะวกกลับไปที่เก่าแล้วไม่เอาเลยนะออย่าให้มันเข้าไปที่นั้นย้ำรู้ตัวไว้อย่างนี้แหละรู้ตัวครับนมัสการนะครับ ก็พยายามตามรู้อยู่ทุกวัน น, น, นะครับหลวงพ่อกิเลส ก, <ม>ก็ก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับ<ม>ทั้งวันแล้วก็ก็ดูเห็นสภาวะอะไรก็ก็เห็นอยู่เรื่อยๆครับคือผมไม่ไม่ทราบ ว, ว่าสติหรือการรู้ของผม ต, ตอนนี้ถูกต้องไหมครับถูกแล้วนะให้<ะ>ดูอีกแล้วก็จะถามนิด น, นึงนครับคือว่าตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจเรื่องจิตที่ตั้งมั่นนะครับ อ, อย่างย่งตอนนี้เองคือคือเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นหรือเปล่าครับหรือว่าตั้งสลับกับไม่ตั้งนะ มีบางช่วงที่ตั้งตั้งได้จริงๆอ๋อก็คือมีบ้างอย่างตอนเนี้ยไม่ตั้งแล้วใช่ไหมไหลออกมาด่วนไหมไหลไปคิดครอ๋อเนี่ยเห็นไหมไหลไปคิดอ่าครับถ้ารู้ว่าจิตไหลนล้จิตจะตั้งอย่าไหมนะอย่าไปดึงจิตให้ตั้งมั่นแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปนะคือจริงๆถ้ารู้ก็จะตั้งเองมันตั้งเองอย่าไปดึงมานะถ้าดึงมาจะแน่นๆใช้ไม่ได้อันนี้จริงๆถ้าเกิดผมรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจคําว่าตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นไช่ไหมครับไม่ต้อง แต่ต้องรู้ทันว่าจิตไหลไปถ้ารู้ว่าจิตไหลไปนะมันจะตั้งของมันเองครับจะเรียกชื่อหรือไม่เรียกมันก็ตั้งอ๋อครับร <40. S 2> ้อยสี่คนครับอ่ะมากไปรกราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมพยายามดูตัวจิตตัวเองตอนชีวิตประจําวันทีนี้พอมีความโกรธเกิดขึ้นดูไปมันไม่เห็นหายไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นมันจะหายไป อ๋อใจเราไม่เป็นกลางเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะเราอยากให้หายโกรธเราไม่ชอบความโกรธตัวที่ไม่ชอบความโกรธนี่แหละคือความโกรธอีกตัวนึ่งเหมือนไฟไหม้นะเราเติมเชื้อลงไปอีกเลยโกรธซ้อนโกรธ ถ, ถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางนะมันจะขาดทันทีเลยอย่าไปข่มจิตนะของคุณยังข่มจิตอยู่รู้สึกไหมไปกดจิตไปบังคับจิตไปข่มมันให้นิ่งในขณะเนี้ข่มอยู่นะ หายใจแรงๆหายใจลึกๆแล้วหายใจออกแรงๆเกาะไว้แน่นมากเลยบอกว่าหายใจออกอย่าไม่หลุดนะเริ่มคลายออกแล้วดูออกั้มคลายกว่าตะกี้ละเราอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องการดูจิตดูว่าเขาทำงานยังไงเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเขาขยับเยื่นเคลื่อนไหวยังไงเราไม่ได้ไปฝึกบังคับให้เขาหยุดนิ่ง เราต้องการให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมไม่ค่อยถ้าไม่เห็น<ะ>ดูจิตไม่ออกเนี่ยนะของคุณดูกายไปไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตนะดูกายไม่ได้เร็วกว่าดูจิตเลยเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเมื่อกี้นี้นะของคุณดูกายชัดกว่าดูจิตนะตนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนี้บ่อยๆนะลองไปทำดู 98อยู่ข้างหน้าข้างหน้า ก, นการนมัสการหลวงพ่อค่ะเ อ, อเคยฟังซีดีหลวงพ่อค่ะแต่ยังไม่เคยมามาครั้งนี้มันก็ไม่เคยส่งกันบ้านนะคะอยากจะขอคําชี้แนะหลวงพ่อคือฟังซีดีไปแล้วก็ที่หลวงพ่อสอนว่าให้ดูกายดูใจใช่ไหมคะมันก็เห็นนะคะแต่ว่ามันเห็นแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ใช่ของเราใจมันก็ยังคิดว่าเป็นของเราอยู่ว่า <c oughs> ก็จริงๆเรายัางรู้สึกว่าเป็นของเราอยู่นะรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรืยสังเกตใจสีใจเราคงที่ไหมแต่ละวันไม่ค่ะเห็นไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสั่งได้ไหมว่าให้อยู่นิ่งๆไม่ได้ค่ะเนี่ยเราตูของจริงไปนะเราเห็นแต่ว่าเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงวันหนึ่งปัญญาจะเกิดเองอะ่ะเพราะเขาไม่ใช่ตัวเราหรอก เ, เราสั่งเขาไม่ได้ปัญญาจะเกิดขึ้นทีหลังตอนนี้มีสติรู้สภาวะลงปัจจุบันไป แต่ว่าที่ปฏิบัตินี้ให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าควรจะเป็นก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละดูไปอีกนะใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเป็นคนฟุ้งเก่งนะทำมันฟุ้งซ่านนะให้รู้ว่าฟุ้งซ่านหักพุทโธได้ไหมหรือว่าอึดอัดเคยพุทโธไหมพุทโธค่ะแต่ว่าถ้านั่งนานๆก็จะเริ่มอึดอัดนั่งสักครึ่งชั่วโมงก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้วเนองั้นก็อย่าไปให้มันอึดอัดนะแต่พุทโธไปออกมาเดินเล่นอย่างนี้ก็พุทโธได้ เดินไปก็พุโทโธไปนะเพรใจลืมพุโทโธก็รู้ว่าใจหลงไปละวใจฟุ้งซ่านไปแล้วก็รู้ว่าฟุ้งซ่านสี่สงในมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะครั้งนี้ก็มาครั้งที่สองค่ะพอดีอยู่ทางใต้นะค่ะอยู่นครเซมราดแล้วก็อ ย, อยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ที่หนูปฏิบัติอยู่เมื่อก่อนตอนที่มาครั้งแรกก็หลวงพ่อบอกให้หนูดูกายใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าตัวเองนี่เราทํา ขณะทำงานอยู่แต่ว่าใจมันก็ชอบจะไหลไปคิดเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละรู้กายไปนะแล้วมันจะเห็นจิตดูกายเนี่ยกายมันเป็นบ้านของจิตนะอยู่ๆเราไปดูจิตตรงๆบางนคนดูไม่เห็นถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อนเหมือนเราอยากหาเจ้าของบ้านยังไม่เจอเจ้าของบ้านเราไปเฝ้าหน้าบ้านเห็นร่างกายมันทํางานไปรู้สึกไหมว่าจิตเราเปลี่ยนไปขนาเนี้ยค่ะรู้สึกว่าจ ะ, จะมองสภาวะเป็นขึ้น ดูได้ชัดขึ้นนะคะดูได้ชัดขึ้นเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเลยอย่าทิ้งกายนะทําเหมือนเดิมนี่แหละแล้วจะเห็นจิตชัดแล้วอีกอย่างหนึ่งข้าหลวงพ่อคือหนูเวลานั่งสมาธิน่ะมันจะมบวับบตึ๊บต๊ตรงนี้ค่ะหรือบางทีก็ที่ท้องแต่ส่วนมากเป็นที่หน้าผากทําใจสบายๆนะอย่าไปข่มใจอ๋อแสดงว่าอย่างนั้นเราข่มใจเราเพ่งขึ้นไปใช่ไหมคะเพ่งเกินไปนะรู้สบายๆรู้ร่างกายรู้จิตใจไปนะ แสดงว่าที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะดีแล้วนี่จิตเปลี่ยนไปแล้วดูออกไหมค่ะเห็นไหมความทุกข์น้อยลงความทุกข์สั้นลงค่ะมันน้คนรับตัวเข้าชมบ้างไหมมีใครเข้าชมบ้างยังก็ไม่มีเลยโถหน้าสงสารจังดีนะหลวงพอชมให้ขนาดมาที่นี่มาที่นี่ก็คือยังไม่กล้าบอกที่บ้านอะค่ะเพราะว่าคือสามียังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เราอย่าไปว่าเขานะ เราพ อ, อนาอไปยายาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาจะเห็นว่าเราสวยขึ้นแล้ว <c oughs> จะพยายามทําค่ะคือควจริงแล้วตรงนี้หนูก็รู้รู้ตัวว่ามันมันมีทางด้านนี้มาค่ะ <ừ> แต่ว่าอยากเป็นไงอย่าหลวงพ่อหนูอยากจะมันมันบอกไม่ถูกว่าไงจิตมันบอกเลยว่าให้หนูให้หนูบวชคือตอนแรกนั้นมันไม่มีสติเลยคือมั น, <ừ> ม, นมันเพี้ยนไปเลยแต่ว่าไม่อยากไปยังมีภาระทางโลกอยู่นะนระบวชที่ใจเราก่อ คือเรามีสติบ่อยๆนี่แหละดีที่สุดแล้วคือมันมันเกิดขึ้นเองมันมามันมาเองเลยค่ะให้รู้ทัเมื่อก่อนไม่เชื่อว่าเรื่องอย่างนี้มีจริงแต่ตอนนี้เชื่อยิ่งกว่าเชื่อซะอีกอะค่ะเดี๋ยไปเชื่อมันอ๋อถ้าเชื่อนี้แสดงว่าคือให้เรารู้ให้ให้เรารู้ตามความที่เป็นจริงอย่างนั้นน่ยครับใช่รู้โลกปัจจุบันไม่ไปเชื่อมันหรอกมันเกิดแล้วมันก็ดับเหมือนกันอ๋อค่ะร้อยห้านะร้อยห้า มีนะผู้หญิงบางคนนะมาหัดภาวนาแล้วมาฟ้องหลวงพ่อว่าสามีชอบมายุ่งเกี่ยวอยากไม่มีอยากมีอะไรไม่มีเพศสัมพันธ์อะไรเนี่ยสามีใจบาปหยาบช้าอะไระเงี้ยบอกเอ๊มีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของเราไปสินะไม่ใช่ภาวนาแล้วก็ตัวเองจะเคร่งครัดนะไปก่อควรคนอื่นเขาอะไรเงี้ยทางที่ดีก็คือค่อยๆหลอกให้สามีภาวนา <laughs> เปิดซีดีหลวงพ่อเวลาที่เขาอารมณ์ดีๆ หนูก็เปิดที่บ้านนะคะหนูก็เปิดอยู่ก็ฟังอย่าเปิดทั้งวันนะเดี๋ยวเขาโมโหค่ะหนูก็เปิดอยู่นะคะคืออยากให้เขามาเราเราอย่ากไปชวนเขานะเราก็เปิดไปเราก็พอนางของเราไปให้เขาได้ยินบ้างเวลาเขาราคาญนะก็เปิดเพลี่ให้ฟังแทนเนี่ค่อยๆซึมซับไปก็ลูกด้วยันจริงแล้วอยากจะให้ลูกอะไรบางคนสอนยากคนใกล้ตัวเป็นคนที่สอนยากต้องสอนด้วยการทําให้ดูเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นให้ดู วันหนึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วเขาจะอยากปฏิบัติบ้างเบอร์ร้อย <105. S 2> ห้าอยู่ที่ไหนมีไหเบอร์หนึ่งร้อยห้า๋อร้อยห้าสิบเอดมีไหมร้อยห้าสิบเอ็ดนมัส ก, การเบอร์อะไรหล่ะร้อยหาสิบเอดอ๋อร้อยห้าสิบอ็ดจริงๆ <laughs> นี่ไงเขาชมพูเลยไปเขียนร้อยห้าแล้วก็สิบเอ็ด<ะ>ที่ปฏิบัติอยู่เป็น อ้าวว่าไงอยากทำหลวงพ่อค่ะมาที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้ไหมคะใช้ได้แต่เปประคองใจมากไปนิดนึงรู้สึกไหมเราไปกดใจให้นิ่งรู้สบายๆน ะ, ะแล้วก็ดูร่างกายให้เยอะขึ้นนิดนึง<ะ>ไปเดินจงกลมบ้างอะไรบ้างเห็นร<ะ>่างกายทํางานนะแล้วจะดูจิตชัดวันนี้จิตไม่ตั้งมัน่นรู้สึกไหมจิตมันเจ้าออไปข้างนอก มันโล่งอไปดูไม่ออกดูกายไปก่อนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆใจเป็นคนดูนะเดี๋ยวใจค่อยมีแรงขึ้นมาเมื่อเจ็ดสิบอย่างดีนะโ<อ>งปูไม่เขียน76ไม่เบิด์เจ็กับ 16, สิหกอะไรเงี้ยเท่านมัสการหลวงพ่อครับที่ตามรู้ตามดูมานี่ก็รู้สึกว่ารู้ทันโทสะมากขึ้นนะดีเนี่ยจิตก็ เ, เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหมนี่จะขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มเติมครับไปทําอีกนะไปดู ใจเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วใจมันสบายกว่าแต่ก่อนดูออกไหมครับมันโลง่งมันเบามันสว่างขึ้นนะครับแต่ก่อนมันมืดมัวมั น, มนมโมโหโทโสรู้เล่นๆอย่างนี้ไม่เอาตรงตะกี้นี่ไม่เอานะทรับกี้ถล่มลงไป ร, ร, รู้สบายๆายรู้แล้วไม่กระโจนลงไปดูห่างๆพอเข้าใจไหมครับเบอร์7จอยู่ที่ไหน76หรือว่าเป็นเบอร์7และเบอร์16อีกล มีใครที่หลวงพ่อเรียกไว้แล้วมีไหมไม่มีหรอเอางั้นให้เบอร์88อ่ะอในพ่อหาขยับป้ายแปดคนสุดท้ายละแล้วิ8เอ่อคือจะขอรายงานหลวงพ่อสั้นๆนะครับคือว่าตอนภาวนาแรกๆครับมันก็เห็นความสุขมาเยอะพอสักพักหนึ่งทำไปหลายเดือนผ่านมามันก็รู้สึกว่า ทุกอย่างมันโลงๆวางๆไม่มีอะไรอพอต่อมาอีกก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีแต่ความทุกข์ก็รู้สึกว่าตัวกุศลอกุศลตัวกายตัวจิตทุกอย่างมันแยกคนละส่วนต่อมาก็รู้สึกว่าเหมือนทุกๆอย่างมันอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่เห็นคนสัตว์สิ่งของรู้สึกว่าบางทีมันอยู่ห่างๆบางทีตัวเรามันก็อยู่ห่างๆอออพอมาจนปัจจุบันนะครับช่วงนี้จะเป็นรู้สึกว่ามันเบื่อทุกอย่างไปหมดเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะ้เกิดดับมันก็เห็นทุกอย่างตามสมควรนะคะดูเบื่อไปอีก ทีนี้ตัวเบื่อของผมนี่มันเป็นกุศลที่มันเป็นอกุศลผมดูไม่ออกนะครับตัวนี้เป็นนิพิทานะครับจิตที่มันเดินปัญญามาแล้วมันเห็นทุกอย่างเกิดดับไปหมดเลยไร้สาระไปหมดทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราอะอยู่ห่างๆไปหมดละมันจะรู้สึกประมาณนั้นนะคะเออนะจิตมันเบื่อแต่ว่าให้รู้ว่าเบื่อไปแต่ว่าถ้าเกิดเวลาช่วงไปเดินเที่ยวเล่นเวลาเจอพวกอกุศลแรงๆพวกราคะอย่างเงี้ยครับมันก็จะเปลี่ยนอีกแล้วครับออจิตมาไปครุกนะจิตมันยังกลับกรอกอยู่นะก็คือต้องรู้รู้ไปนะ แต่ว่าที่ทํามาเบื่ออันนี้คือถูกต้องแล้วใถูกต้องแะ้พระพุทธเจ้าสอนนะพิสูจนทั้งหลายเมื่อรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะตอนนี้เราภาวนาเราเห็นความจริงในกายในใจแล้วมันน่าเบื่อไม่มีตัวเราดูออกไหมมันมีแต่ตัวทุกข์ใช่ครับดูไปเรื่อย ต้องปรับปรุงหรือแก้อะไรเพิ่มเติมไหมไม่แต่ต้องอดทนอดทนนะครับอดทนนะดูลูกเดียวเลยไม่เลิกไม่ใช่เบื่อแล้วหนีมันไปของผมทําสมถะไปอยู่ทุกวันเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาทำได้เขาไม่ได้ติดเพ่งครับขอบพระคุณมากจิตขนานี้ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นวันนี้ช่วงนี้จิตตั้งมั่นเป็นปกติครับขนานี้ตั้งหม ตอนนี้ลอยออกมานิดนึงค่ะเออต่ลอยออกมานิดนึงถูก <c oughs> ต้องถ้าบอกว่าตอนนี้ตั้งมั่นเราต้องคุยกับอีกนานละ <c oughs> จิตไม่ตั้งมั่นนะดูออกไหม <c oughs> ขณะ น, นี้อ่ะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนาดีอยู่กรุงเทพค่ะอ่ะเชิญกลับบ้าน